ก็เจริญพรญาโตโยมสาธุชนทุกท่านอนานมาเชื่อพวกเราในที่ทุกคนปรารถนาความสุขจะให้ชีดมีความสุขปราบรื่นมีความเจริญแต่ความจริงอย่างหนึ่งที่ เราไม่ปฏิเสธได้ก็คือว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าเราจะร่ำรวยมีอำนาจมีชื่อเสียงแต่เราก็หนีความทุกข์ไม่พ้น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 ในเนื้อในตัวเราเนี่ยมันมีความทุกข์เกาะ ต, ติดอยู่ขณะที่เรานั่งอยู่นี้เนี่ยนะมันก็มีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราทวีวิยาศาสตร์ประมาณว่ามีเซลล์ในร่างกายเราเนี่ย ตายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณห้ามืึนแสนล้านเซลล์นะตัวเลขที่เยอะ น, ยนะศูนย์เนี่ยประมาณสิบ2สิบสองตัวได้ตามหลังเลขหนึ่งความตายเกิดขึ้นกับเราทุกขณะแต่ว่าโชคดีที่ในเวลาเดียวกันร่างกายเราก็สร้างเซลล์ใหม่ ขึ้นมาทดแทนก็เลยยังดูปกติสุขอยู่เรานั่งไปนานๆก็นนจะรู้สึกเมื่อยนะอันนี้แสดงว่าความทุกข์เนี่ยมันแสดงตัวออกมาแล้วมันไม่ได้อยู่ไหนมันอยู่กับร่างกายเราหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่แสดงตัว พอผ่าเวลามันก็แสดงตัวออกมาเป็นความปวดความเมื่อยวันทีก็ปวดท้องต้องเข้าห้องสุขานี่เลย ว, ว่ามีความทุกอย่างเอาแล้วส่วนความทุกข์เนี่ยที่อยู่เบื้องหน้ามันก็มีมากมายหลายอย่าง ความเจ็บความป่วยความพักผาสูญเสียถูกตีชิ้นนินทาต่อว่ า, าต่อต่อว่าหรือถูกดูดาว่ากล่าวอาจจะมีความล้มเหลวอุปสรรครอคอยอยู่ กัรที่พูดนี้เนี่ยไม่ได้แช่งนะมันคือความจริงที่เราทุกคนต้องประสบไม่ช้าก็เร็วพูดอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่น่าขวดหันะที่เราทุกคนเนี่ยมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้า แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะตระหนักไปพร้อมๆกันก็คือว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้แย่ไปเสียหมดนะความทุกข์นี่ก็เป็นของดีมีประโยชน์ด้วยเหมือนกันงั้นถ้าเรารู้จักมอง รู้จัพิจารณาเนี่ยการเจอความทุกข์ก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับเราก็ได้พิจะราจัดว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบ แม้ประสบทุกข์เนี่ยนางก็ยังหาสุขเนี่ยพบได้ในท่ามกลางความทุกข์นั่นเป็นของดีอย่างที่หนึ่งของดีอย่างที่สองทีง่เกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าความทุกข์เนี่ยมันสามารถพาเราให้ไปพบกับธรรมะได้คนมักจะมองว่าความทุกข์เป็นของแย่ รรมาเป็นของดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทุกขกับธรรมเนี่ยมันไม่ได้แยกห่างกันขนาดนั้นมันใกล้กันมากทุกสามารถจะพาเราให้พบธรรมได้หลายคนเนี่ยมาพบธรรมะแล้วก็เมื่อเจอความทุกข์ เช่นเจ็บป่วยตกครับล้มละลา ย, ยวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจปี4์ผ่านไปเกือบ20ปีแล้วเราคงจำได้นะมีหลายคนเนี่ยเขาล้มละลาย แต่ว่าก็ลงเอยด้วยการที่ได้พบธรรมะหลายคนบอกว่าขอบคุณวิกฤตปี40เพราะว่าพอเขาลมละลายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรนี่เป็นสิบเป็นร้อยล้านกุมหัวกุมใจ ก็เลยเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ได้อยากเข้าวัดเลยไม่อยากปฏิบัติธรรมแต่ว่ามัน ม, มีทางเลือกพอเข้าปฏิบัติธรรมก็ได้พบกับธรรมะได้พ บ, บความสุขหลายคนเจ็บป่วยคนเวลาจะป่วยเนี่ยเราก็คิดว่า ยาเนี่ยจะเป็นคำตอบได้เทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยจะเป็นที่พึ่งได้แต่พอพบว่าโรคร้ายเนี่ยมันไม่มียาสานในด้านหนึ่งก็รู้สึกคิดหวังแต่ข้อดีคือว่ามันทำให้คนเนี่ยหลายคนหันเข้าหาธรรมะ แล้วก็เจอของดีหลายท่านในที่นี้อาจจะรู้จักพิปัสนาจารย์นะชาวพม่าเชื้อสายอินเดียท่านโกเอนกาท่านโกเอนการตอนนี้เนี่ยแม้จะเสียชีวิตไปได้หลายปีแล้วแต่ก็ทิ้งผลงานเอาไว้มีสูงวพิปัสนาในชื่อของท่านเนี่ยเป็นร้อยสองร้อยศูนย์ทั่วโลก ในเมืองไทยก็มีเกือบศูนย์หลายคนก็ไปปฏิบัติคนที่ผ่านการปฏิบัติในสำนักของท่านเกวิ์ก้าในเมืองไทยสมที่ว่าเป็นหมื่นแล้วนะท่านเกวรก้าเนี่ยพื้นเพนะเป็นนักธุรกิจและประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุสามสิบกว่าต้ตนเลย เป็นที่ยอมรับนับถือของพ่อค้าชาวอินเดียในพมา่าได้รับเลือกให้เป็นคล้ายๆเป็นนายกสภาหอนการขอการค้าตั้งแต่ายุ30ต้นๆนะชีวิตนี่นะมันเหมือนกับว่าโรยด้วยเกลดกุหลาบแต่ความจริงก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้ามีโรคประจำตัวโรคหนึ่ง เป็นโรคไมเกรนรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทรมานมากต้องไปรักษาถึงมืงนอกไปถึงยุโรปหมอก็ให้ยาระงับปวดคือมอร์ฟีนเพราะว่านอกจากไมเกรนจะไม่หายแล้วยังติดมอฟีนอีกกว่าจะ เลิกมอฟินได้ก็ใช้เวลานานไม่เกลีก็ยังอยู่เงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายมีคนแนะนำว่าให้เราไปนั่งสมาธิกับอาจารย์คนหนึ่งชื่ออุบากินเป็นโยมนะเป็นฆาชการระดับสูงทางเกิดกาเนี่ยเป็นฮินดูนะ ไม่สนใจหรอกสมาธิภาวนาเนี่อือพุทธศาสนาแต่ว่ามันไม่มีทางออกแล้วเมื่อเราเราไปเข้าคอร์สประมาณสักเจ็ดหรือสิบวันพราก็ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงก็เลยไปปฏิบัติต่อเนื่องจนกระทั่งไมเกรนหายแล้วก็เกิดความซาบซึ้งในพุทธศาสนาตอนหลังก็เลย ได้รับเลือกให้เป็นรับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนกรรมฐานตอนหลังเนี่ยแม่ท่านป่วยแม่ท่านอยู่อินเดียท่านก็เลยไปรักษาแม่ไปพยาบาลแม่ที่ประเทศอินเดียที่นั่นม่มีอาจารย์สอนกรรมฐานวิปัสสนาอาจารย์ก็เลยมอบให้ท่านเป็นอาจารย์วิปัสสนาในนัแต่นั้นเนี่ยวิปัสสนาตามแนวของท่านเวียงก้าก็แพร่หลาย ใจเดียแปลงกฤษไปยุโรปแล้วก็กลับมาเมืองไทยนี่เมืองไทยเรานี่ก็เรียกว่าโชคดีนะที่มีวิปัสสน า, าจารย์ท่านหนึ่งแม้จะไม่ใช่คนไทยนี่เป็นตัวอย่างนะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีข้อดีมันทำให้คนเราเนี่ย เข้าหาธรรมะได้ง่ายขึ้นเมืองไทยเนี่ยเมื่อสักประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยมีพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ฉายากืติดโศนะ่วนติดโส ท่านเป็นพระที่พระสังฆราชในเวลานั้นเนี่ยสมเด็จพระมาสามัมมาเจ้ากรมพระยาวิเชยาวิลโรจน์เนี่ยนับถือไว้วางใจเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องการจัดการศึกษาคณะสงฆ์แต่ท่านจะมีความเห็นที่สำหรับสมัยนิทวีว่าแปลกแต่สมัยนั้นถือว่เเรื่องธรรมดาคือท่านไม่ชอบพระป่า และพระป่าเวลานั้นเนี่ยที่มีชื่อก็คือหลวงปู่มั่นปุริทัตโตแล้วก็หลวงปู่สิงห์ขันติยาคโมเวลามีาพระป่ามาทุดงในเขตปกครองท่านคือมนทนอุบลราชธานีซึ่งตะหลังเปลี่ยนมาเป็นมนทนอีสานท่านก็จะหาทางขับไล่ออกไปเพราะเห็นว่าเป็นพระจริจัด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะสงฆ์ก็คืออยู่ประจำที่เพื่อศึกษาปริยัติธรรมถ่าเห็นว่าพระป่าเนี่ยพวกงมงายนะไม่เรียนหนังสือแต่ตอนหลังเนี่ยท่านเปลี่ยนทัศนคติเมื่อท่านได้เป็นพระราชาคณะสูงขึ้นเป็นภาคระดับรองสมเด็จคือท่านป่วย แล้วก็ยาก็รักษาไม่หายก็บังเอิญไปรู้จักกับพระอาจารย์ฟั้นซึ่งตอนนั้นยังหนุนอยู่แล้วก็พระอาจารย์ลีนะธรรมทโรท่านทลีทั้งสองท่านเนี่ยก็แนะนำสมุนไพรให้ท่านได้ฉันแล้วก็พาทำสมาธิด้วยท่านไม่มีสัทธาตในสมาธินะแต่พอทำแล้วเนี่ยหาย ก็ดีใจแล้วก็อดทึ่งไม่ได้ว่าโอ้ท่านพูดอย่างนี้ว่าในช่วชีวิตของเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิภาวนาจะมีคุณค่าถึงเพียงนี้นี <c oughs> ่พระราชาคณะชันสมเด็จพูดนะแต่ก่อไม่เชื่อท่านเชื่อรากการอ่านหนังสืออ่านตำราท่านแปลกใจมากว่าทำไมหลวงปู่มั่นเนี่ย ซึ่งไม่เรียนไม่เรียนเปรตติดธรรมเลยเรียนแค่นักธรรมตรีนักธรรมโททาไมจึงมีความรู้ด้านธรรมะลึกซึ้งมากเคยถามนะท่านเข้าแต่ป่าตลอดเลยภูม่นตอบว่าธรรมะนั้นเนี่ยมีอยู่ทุกหย่อมยา่าสําหรับผู้มีปัญญาธรรมะนั้นมีอยู่ทุกย่อมยา่าสำหรับผู้มีปัญญา ไม่ใช่อยู่แต่ในหนังสือท่านี้เนี่ยที่ประเด็นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมเด็จท่านนี้ถ้าไม่ป่วยนะท่านก็คงไม่เห็นหรอกนะว่าสมาธิภาวนานเนี่ยมีคุณค่านะนี่ขนาดพระนะสอนปรยิยติธรรมขั้นประโยคหกประโยคเจ็ดตอนหลังสมเด็จพระมหาพิรวงเนี่ยก็เลยเป็นผู้ อุดหนุนอุปถรัรมภ์การปฏิบัติธรรม <c oughs> สับสนุนลูกเสร็จของรลปู่มั่นรลวปูเสารลวปูสิงหงความเจ็บป่วยเนี่ยนะอย่าไปมองว่ามันแย่อย่างเดียวที่จริงเนี่ยมันสามารถจะเปิด หูเปิดตาเปิดใจเราเนี่ยให้พบทธรรมะได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะแกเป็นมะเร็งแล้วตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยใหม่ๆเนี่ยก็มีความทุกข์ใจ ต, ต่อหลังแกทำใจได้แกพูดว่ามะเร็งเนี่ยนำสิ่งดีๆให้กับชีวิตแกหลายอย่าง ขอที่หนึ่งคือว่าทำให้แกได้มีโอกาสทำความรู้จักกับพุทธศาสนาอย่างจริงจังตอนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยไม่สนใจหรอกเที่ยวเล่นกินดื่มเที่ยวเล่ น, นพอป่วยแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็มีคนเอาหนังสือธรรมะให้อ่านอยู่บ้าว่าไม่ไม่มีอะไรทําก็อ่านหนังสือธรรมะก็พ่อโอ้พุทธศาสนาทีุ่ดซึ้งนะ นี่ข้อที่หนึ่งข้สองเนี่ยทำให้เขาได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่แต่ก่อนเนี่ยหงษห่างกับพ่อแม่อันนี้เป็นธรรมดาของคนกรุงเทพนะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาลูกก็ไปเรียนหนังสือพ่อแม่ก็ไปทำงานกลับบ้านก็กลับให้พร้อมกัน กินถ้าวไม่พร้อมกันก็มีเลยเพราะพอโตแล้วพ่อกับลูกเขินห่างกันแต่พอลูก ป, ป่วยพ่อแม่ก็มาดูแลมาดูแลก็ได้เห็นความรักความบริสุทธิ์ความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่เกิดความซาบซึ้งใจเก็สงังให้บอกว่าเนี่ยมะเร็งมันทําให้แกเนี่ยได้มีโอกาสหยุดคิดได้มีโอกาสไข้ควร เรื่องชีวิตแกบอกว่ า, าแกไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คงเหมือนกับหนุ่มคนหนุมทั่วไปนอนหอพักนะกว่าจะเข้านอนก็ตีสามเข้านอนนะตีสามตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเ้ืง้งพักก็รอกินเล่ากับเพื่อนแล้วก็เที่ยวสู่สนามไม่สนใจใครนะไม่คำนึงถึงคนอื่น ไม่รู้จักใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังคือใช้ชีวิตยอย่างประมาทั้วยเมล็นเนี่ยมันทำให้ชีวิตแกเปลี่ยนนะเพราะว่าสามารถจะนำพาสิ่ดีๆให้กับชื่องแกได้อันนี้ก็เรียกว่าความจะป่วยทำให้มาพบธรรมะ แต่ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความเจ็บป่วยนะมันมีอื่นด้วยเช่นความพัดพราดสูญเสียสูญเสียของสูญเสียคนรักอันนี้ธรรมาก็จะพูดนิดหน่อยนะพอหนี้สินพอเงินเนี่ยนะสูญหายไปเพราะทำธุรกิจล้มละลายบ้านถูกยึดรถถูกยึดชีวิตเนี่ยเกิดวิกฤตก็เลยต้องเข้าหาธรรมะ ไม่มีทางออกทางอื่นแต่หลายคนจะสูญเสียหนักกว่า น, นั้นสูญเสียคนรักในสัยพุทธการเนี่ยมีอัมมาดท่านหนึ่งนะท่านชื่อสันติทําความดีความชอบมากจนกระ ท, ทั่งพระเจ้าปเสนีโกสเนี่ยมอบราชสมบัติให้เจ็ดวันอ่ะมันมีประเพณีแบบนี้นะ ให้คของราถึงเจ็ดวันสังเสียมมากก็ถือโอกาสนะ ส, สนุสนันเต็มที่เลยจัดให้มีละครฟ้อนลำทุกวันทั้งกลางวันทั้งเช้ากลางวันและกลางคืนแล้วก็เสดสุลาเรียกว่าเสดสุดเต็มที่ เพราะเวลามีแค่เจ็ดวันมาสุดท้ายเนี่ยนางรำคนหนึ่งเนี่ยซึ่งซาตเตียมมาตโปรดปรานมากขาะที่กำลังฟ้อนรำอยู่เนี่ยเป็นคืนที่เจ็ดแคนพงเหนื่อยมากนะขาดใจตายซาตเตียมาตช็อกเลยนะจากคนที่กำลังสนุกสนานนะ กลายปเป็นเศร้าไปเลยขายเมาเลยนะเจอคนรักตายจากไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยปลุมใจมากเสียใจมากไม่รู้ทํายังไงนึกถึงพระ เ, เจ้าเคยเคยเดินสวนทางกันนะร้อยกว่าพันปีนี่ไม่เคยไปหาพระเจ้าเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครละ วันเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยไปฝ้าผู้เจ้าที่เชตวันผู้เจ้าเนี่ยแสดงธรรมอยู่พักใหญ่เลยนะปรากว่าสาเตีย ม, มาเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์ทันทีเลยและพอบรรลุธรรมเสร็จ น, นะผู้ใหญ่ก็เสียชีวิตเพราะว่า ของหักโคมนะหักโคมจากการเสกสุขมากเจ็ดนะวันเจ็ดคืนแต่ว่าก็ดับขันในคนะเป็นพระอารหันต์มีนะเป็นพระอารหันต์ขันที่เป็นค า, ารวะเนี่ยแล้วก็เป็นพระอารหันต์ที่เรียกว่าเครึ่งสังเมาเพราะว่า เกิดความสูญเสียขึ้นถ้าไม่สูญเสียก็คงจะไม่ไปหาพุทธเจ้าถ้าไม่ไปหาพุทเจ้าก็คงจะไม่ได้พบนะอรหัตผลหรือพระนิพพานอันนี้ก็เป็นประโยชนะ์ความพัดพลากนะความพัดพลากทำให้มาพบธรรมะ เรื่องของสังเตรียมมาอาจจะดูไกลตัวหน่อยนะ 2,600 ปีที่แล้วนะแต่ก็มีคนมากมายนะที่สูญเสียคนรักแล้วก็ได้พบธรรมะมีคุณแม่คนนึงเนี่ยลูกชายอายุ15วันหนึ่งลูกชายก็มาขอแม่ไปไปเรียนต่อที่อินเดียนะ คมไปเรียนต่อม .4 นะแม่ก็เห็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่มีความรัผิดชอบพึ่งตนเองได้ก็เลยอนุ ญ, ญาตให้ลูกไปผมไม่ใช่อนุ ญ, ญาตไปอย่างเดียวนะผมส่งเสียด้วยลูกไปอินเดียได้ไม่กี่เดือนเพราะว่าเกิดปุบัติเหตุจมน้ำตาย แม่นี่เสียใจมากแล้วรู้สึกผิดเฝ้าออแต่ลงโทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายเพราะถ้าตัวเองเนี่ยแม่อนุญาตให้ลูกไปลูกคงไม่ตายแต่นี่ตัวเองอนุญาตเธอก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนทำให้ลูกตายเรียกว่าเสียศูนย์ไปเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าฆ่าตัวตายได้คงจะฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ว่ายังมีลูกคนอื่นด้วยเพื่อนก็เห็นใจก็เยวันหน <ide> ึ่งก็เลยแนะนาให้ไปไปเข้าไปปฏิบัติธรรมเธอก็ไม่ได้มีใจฝ่ายทางนี้แต่ว่าชีิดมันตันแล้วก็เลยลองไปดูพอไปแล้วเนี่ยก็ได้ได้ฟังธรรมะได้ฟังเรื่องเรื่องกรรม ได้เข้าใจว่าออกคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นบางคนตายเลยบางคนตายช้าอันนี้มันเป็นเพราะกรรมแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็เลยคลายความเศร้าโศกได้แต่ไม่มีความสุขผิดเกิดขึ้น รู้สึกผิดที่ส่งเสริมให้รู้ไปอินเดียอั น, นี้ให้รู้ไปอินเดียแต่พอเธอได้ได้เจอสติเธอก็รู้วิธีการรับเบืองความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกิดเกิดขึ้นก็ดูมันรู้แล้วก็วางไม่ต้องไปกดขมมันแค่รู้แล้วก็วางสุดท้ายความรู้สึกผิดก็ไม่มารบ ก, กวนลังควานเธอจิตใจเธอก็สงบ เราก็ได้พบกับความสุขที่ประณีตมันเป็นความสุขที่เธอไม่เคยพบมาก่อนความสุขที่เกิดจากใจที่สงบเย็นเธอถึงกับอุทานว่าขอบคุณความตายของลูกที่ทาให้แม่ได้พบธรรมะความตายของลูกเนี่ยคุ้มค่าเพราะทำ แ, แม่ได้พบชีวิตใหม่ มนคงมันยากนะที่แม่จะพูดว่าความตายของลูกเปนสิ่งคุ้มค่าเพราะว่าความตายลูกเนี่ยมันยิ่งใหญ่ซอนแม่เสมอแต่สําหรับเธอวันนี้เนี่ยนะเธอรู้สึกว่า เ, เป็นเพราะความตายของลูกเนี่ยมันทําให้เธอได้มาพบ ก, กับธรรมะได้พบความสุขทางจิต อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพ่อทุกข์เนี่ยผลักให้เราไปพบธรรมะนะความสุขเนี่ยมันไม่ค่อยจะเชื้อเชิญให้คนที่เข้าหาธรรมะเท่าไหร่นะพอเวลามีความสุขมีความเจริญมีความสาเร็จเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงธรรมะหรอกกลับมีความเข้าใจว่า ความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงเนี่ยจะเป็นคำตอบเป็นสรนารณาได้ก็ยิ่งตอบตวัวยิ่งแสวงหาแต่เมื่อไรก็ตามที่ชีวิตเนี่ยเกิดวิกฤตตอนนั้นก็จะพบว่าเงินทองชื่อเสียงมันช่วยอะไรไม่ได้เลย มีหมอคนหนึ่งนะเธอก็หันมาทำธุรกิจตั้งแต่อย่างสาวแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยตอนหลังก็ได้แต่งงานกับนักธุรกิจคนหนึ่งแล้วก็มาช่วยกันทำธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องความงามประทิดโชม ว่าไปได้ดีร่ำรวยนะตั้งแต่อายุยังไม่มากเลยแล้ววหนึ่งพบว่าสามีเนี่ยนอกใจเจอทุกข์มากเลยนะตอนที่เลิกทางแยกทางกันเนี่ย เธอ้สึว่าเธอเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยที่จริงเธอยังมีอะไรเยอะอยู่นะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีลูกแล้วก็มีเงินอีกมากมายแต่ความสงสานั่คือมันไม่เหลืออะไรเลยเธอเล่าว่าเนี่ยสมัยที่ยังชีวิตยังราบรื่นปกติเนี่ยว่างๆก็เอาเพชรเนี่ยมาโรย นะมาชื่นชมนะเธอเป็นคนชอบเพชรพอเพชรแต่ละเม็ดนี่มาวางนะก็ก็มีความสุขกับการที่ได้ชื่นชมเพชรแต่พอเธอเจอวิกฤตในชีวิตเนี่ยแยกทางากับสามีเนี่ยเอาเพชรมาโรยอยู่ตอนหน้าเนี่ยไม่มีความสุขเลยมันไม่มไม่เหมือนกับเป็นเหมือนกับหินนะธรรมดามันไม่สามารถจะผ่อนคลายบรรเทาวความทุกข์ของเธอได้ มันไม่สามารถทําให้เธอหายจากความเศร้าโศกได้ถึงตอนนั้นเลยรู้เลยนะว่าโอ้ยเงินทองเพชรอินจินดานี่มันมันไม่ใช่เป็นคําตอบชีวิตเนี่ ย, ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอเข้าหาธรรมะนะคนเราตอนที่ประสบความสุขความสําเร็จเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะหรือไม่ค่อยเห็นว่าความธรรมะเป็นสิ่งสําคัญ ต่อเมื่อเจอวิกฤตในชีวิตเจอความทุกข์นั่นแหละแล้วเมื่อเงินก็ช่วยไม่ได้ชื่อเสียงก็ช่วยไม่ได้นะเพชรบ้านรถยนต์ก็ช่วยไม่ได้ถึงตอนนั้นแหละนะที่จะเข้าหาธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะก็อย่าเพิ่งโวยอย่าเพิ่งตีโพยตีพายนะว่าเราโชคร้ายนะบางทีเรา อาจจะกำลังอ า, อาจจะกาลังพบสิ่งดีๆก็ไดนะ้ถ้าเรายอมให้ทุกเนี่ยผักเราเข้าหาธรรมะแต่ก็ต้องระวังนะเพราะบางคนเนี่ยพอเจอทุกแล้วเนี่ยทุกมันผลักเข้าหาอบายนะพอกลุ้มอกกลุ่มใจมากพอเสียคนรักนะก็เข้าไปหาเหล้าไปหายาเสพติดไปหาการพนันเพื่อจะทำให้ลืมทุกอันนี้ก็มีตัวอย่างเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์รู้จักใช้ใช้ทุกให้เป็นที่ผู้บางนีเพื่อที่จะชี้ว่าทุกข์กับธรรมะนี่มันใกล้กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกข์มันไม่เพียงแค่ผลักเราเข้าหาธรรมะนะทุกข์เนี่ยมันคือธรรมะในตัวเลย ทุกไม่ใช่แค่สิ่งที่พักเราผ่าธรรมาท่านั้นตัวทุกข์นั่นแหละคือธรรมะอันนี้อยากจะให้พิจารณาเวลาเจอทุกข์เนี่ยนะให้รู้เถอะว่ามันกลางแสดงคำให้เราเห็นในสายพุทธการเนี่ยมีพระลุมเรงชื่อพระติสระท่านป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจนะ แผลผู้กองเต็มตัวมีน้ำเหลืองแผลตัส่งตึงเหม็นเรื่อนท่านนี่ดูแลไม่ไหวก็ทิ้งท่านไปไปล่อยให้ท่านเนี่ยนอนจมกองอุจรากัสวะเพราะว่าเนื้อตัวเหม็นมากพระเจ้าเนี่ยทราบก็เสด็จมาแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรเนี่ยไปไปซักไปต้ม ทมความสารร่างกายนะเอาอุจจาระาปัสสาไปก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าทุกเวทนามันก็แรงกล้ามันก็ดีคั้นตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยนะผู้เจ้าก็พูดเป็นคาถานะไม่กี่ประโยค ซึ่งไม่เก็บประโยชน์เนี่ยตอนหลังเนี่ยเราก็เอามาใช้เอามาสวดกันเรียกว่าบางสุกุลเป็นเริ่มต้นที่ว่าอาจิราวัตยังกายโยร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอนะเมื่อวิญญาณออกจากร่างและถูกคนลับทิ้งก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์นี่ได้พุทธเจ้ากัดเนี่ยนะ ไม่กี่ประโยคเนี่ยพระติสาเนี่ยพิจารณาตามไอ้ความทุกข์ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยนะมันทําให้สามารถจะพิจารณาธรรมะของเจ้าเนี่ยและเห็นชัดเลยว่าร่างกายสังขารนี้เป็นทุกข์มากไม่น่ายึดถือเลยพอเห็นว่าสังขารร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยไม่น่ายึดถือเนี่ยจิตมันก็ปล่อยเลยนะ มันวางปัญญาเกิดท่านกับอรุธธรรมเป็นพระอรหรันตันติที่สิ้นลมเรียกว่าสิ้นกิเลสพร้อมๆกับสิ้นลมนี่ถ้าท่าไม่ป่วยนะท่านก็ไม่บรุธรรมหรอกนะแต่ว่าพอไอความป่วยนี่นะมันทําให้ท่านเห็นจริงเห็นจังอย่างที่เจ้าตัดหรนะือท่านมาสังขารนี่มันมันมันเป็นทุกข์มันไม่น่ายึดถือ คนเราเนี่ยยังยึดถือร่างกายนี้ยึดถือสังขารนี้เพราะเราคิดว่ามันเป็นของดีของประเสริฐมันเป็นของที่จะให้ความสุขกับเราได้มันเหมือนกับเพชรมันเหมือนกับทองที่ต้องหวงแหนแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเนี่ยมันมันไม่น่าเอาอ่ะมันเหมือนกับฐานก็แดงแดงไม่ใช่ทอง ถ้าเราเห็นทองเราอยากจะจับแต่พอเราพบว่าไอ้ทองที่เราถือในมือเนี่ยที่แท้มันคือฐานเนี่ยนะก้อนแดงแดงเนี่ยมันปล่อยเลยนะแล้วความทุที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยทําให้ท่านเห็นชัดตรงนี้ในสารพฤก์การก็มีท่านหนึ่งนะเป็นเป็นผู้ที่ฉลาด นางกีสาโกตมีเธอได้สามีที่ดีแม่สามีก็ดีแล้วพอเธอเข้าลูกออกมาลูกก็น่ารักแต่ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่เคยเปอร์เฟกสมบูรณ์นะมันมักจะมีอะไรที่พร่องที่ขาดชีวิตของนางกีสาโกตมีก็เหมือนกันนะ แล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกน้อยน้อยน่ารักเนี่ยก็เกิดตายกะทันหันนามเป็นคนฉลาดแต่ทำใจไม่ได้อุ่มศพลูกเพื่อให้ใครต่อใครมาช่วยปลุกฟื้นชีวิตของลูกเธอให้ขึ้นมาทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมรับนะุ่มศพลูกไปให้ใครต่อใครช่วยจนมีคนแนะนำว่าไปให้ไปหาพุทเจ้าเสีย ตอนนักพุทธเจเสด็จที่เชตวันนางก็ดีใจทั้งปีทั้งชาติไม่เคยไปหาผู้เจ้านะแต่ตอนนี้พระองค์กลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายอุ้มศพลูกไปหาผู้เจ้าพราะองค์เนี่ยเห็นนางกีสาพุมีอุ้มศพลูกก็รู้ว่าแสดงธรรมอย่างไงเนี่ยนางไม่เข้าใจใจเธอปิดแล้วผู้เจ้าที่ฉลาดนะแต่ก็รู้ว่าคนบางคนเนี่ย สอนรร ม, มากไปใจเขาไม่รับหรอกการที่พงจะสอนให้เธอเห็นถึงความไม่ที่ของชีวิตอย่างที่สอนพระติศากก็กลับพูดว่าเราช่วยเธอได้ถ้าเธอเอาเว็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาให้เรานางก็ดีใจเข้าไปในสวัสถี ไปขอไม่ผักกาดจากบ้านนั้นบ้านนี้ทุกบ้านมีให้หมดแต่พอถามว่ามีคนตายไหมก็ได้คําตอบมีคนตายทั้งนั้นเลยคนสมัยตอบก็ตายที่บ้านปู่ตายบ้างย่าตายบ้างพ่อตายบ้างแม่ตายบ้างลูกตายบ้างเชื่อน้อยเชื่อน้อยเธอก็เริ่มยอมรับความจริงได้ว่าความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต ามพัดพลาดเป็นธรรมดาทุกครอบครัวความซอกโก็ทุเลาลงเพราะเห็นความจริงแล้วตอนหลังก็เอาลูกเนี่ยไปเผาแล้วก็มาฟาพุทธเจ้าทีนี้พุทธเจ้าก็แสดงธรรมเลยนะเพราะว่าใจของเธอเริ่มเปิดแล้วพุทธเจ้าแสดงธรรมว่าน้ำป่ า, าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใด มัตุราก็พัฒพาผู้ที่หลับไหลหลงไหลติดยึดในลูกในคนรักในทรัพย์สมบัติฉันนั้นพอผู้เท่านี้นะนางีสาพุทธมีซึ่งเจอทุกเจอความพัดพ้าดมาที่ตนเองเนี่ยนะพอได้ฟังคำอาวุจรอย่างพิจารณาตามก็เห็นแจ่มแจ้งเลยว่าความยึดติดําให้เป็นทุกข์และเห็นว่าสังขารเนี่ยนะมัน ไม่อาจจะยึดติดถือมั่นได้เพราะมันเต็ม่ได้ทุกข์จีของเธอก็สว่างนะก็เป็นพระโสด า, สดาบันทันทีเลยนี่ถ้าเธอไม่ไม่เจอความพลาพาดสูญเสียนะก็คงจะไม่มีดวงตาเห็นธรรมไอ้ความพลาดพาดสูญเสียนะี่มันเป็นธรรมะในตัวนะมันคือทุกอย่างหนึ่ง ที่ถ้าเราเปิดใจเห็นไอความยึดติดถือบ้นก็จะบรนเทาเบาบางลองพิจารณาดูนะเวลาเจอความทุกข์เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะในลักษณะใดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นธรรมะหรือมันสองธรรมะอยู่ในตัวเราแล้วอยู่ในตัวแล้วเนะ แต่ว่าเพราะเรามองไม่เห็นหรือเพราะเราโมาแต่ข่ำครวนเราจึงมองไม่เห็นธรรมะที่ทุกกำลังแสดงให้เห็นแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยนะถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยทุกเนี่ยมันสอนทำให้เราตลอดเวลาเมื่อปีเมื่อปีห้าสี่นะ เมื่อปี54เนี่ยมันมีน้ําท่วมใหญ่ภนะาคเหนือลงมาถึงกรุงเทพก็มีผู้คนนับหมื่นนับแสนครอบครัวเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ําหลายคนทำใจไม่ได้นะเสียจริตบางคนก็ถึงกับ ค่าตัวตายแต่ก็มีบางคนเนี่ยทำใจได้มีคนหนึ่งแกพูดแกให้ข้อคิดว่าคือแกก็เสียไปเยอะนะแต่แกก็พบว่าน้ำท่วมเนี่ยมันได้มาสอนธรรมะให้แกได้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเรา เลยอย่างแท้จริงทรัพย์สมบัตินะที่มีเนี่ยนะมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปจากเราถ้าไม่ใช่ไปเพราะไฟหรือเพราะน้ำพัดพาไปก็มีคนลักขโมยหรือถึงไม่จากตอนเราเป็นมันก็จากเราตอนเราตายใครธรรมชาติเนี่ย มันก็สอนทาให้กับเราได้สอนว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะมองไม่เห็นตรงนี้ก็เลยเอาแต่ทุกข์เอาแากโศกเศร้านะคร่ำควญถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยนะถือว่าได้กำไรนะเสีสปปยทรัพย์ไปแต่ได้ปัญญาได้ธรรมะไอ้ธรรมะนี่แหละนะที่จะทำให้เรามีภูิคุมค้มกัน เวลาสูญเสียครั้งต่อไปนะใจก็ไม่ทุกข์ลวเข้าของทรัพย์สมบัติสูญเสียไปหาใหม่ได้ซื้อได้แต่ว่าธรรมะที่มีเงินเท่าก็ซื้อไม่ได้แต่ว่าโอกาสที่จะเห็นธรรมะเนี่ยมันก็เปิดนะเมื่อแต่ก็ตามที่เราเจอทุกข์ มิสพิาคนหนึ่งแกเป็นช่างไฟฟ้าบอกกัว่าเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะมันไปมันไปช็อตแกที่ขาต้องตัดขาสองข้างที่การตลอดชีวิตแค่นี้ก็แย่แล้วนะไม่นานเลยนนภรรยาก็ทิ้งเอทิ้งเข้าไป ลองคิดดูนะคนเราเนี่ยนะ พ, พ, พึ่งเสียขาพิการตลอดชีวิตไปนะแล้วก็มาเจอแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเคราะซ้ำกรรมสั์มีคนไปถามผู้ชายคนนี้เนี่ยแกชื่อวิชัยว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะที่ภรรยาทิ้งคุณไปถามตรงนะแกตอบ ต, ตอว่าแหละ ต, ตอว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยก็ขนาดขาผมทั้งสองข้างเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมีย อ, อยู่ผมได้ยังไงแต่ไม่เสียใจเลยนะาที่เมียทิ้งเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกได้ได้เห็นธรรมะก่อนหน้านั้นแล้วนะจากการที่เกิดอุปติเหตุคนบางคนเนี่ยพอเสียขาเนี่ยที่การต่อชีวิตเนี่ยโอ้โ คร่ำควรเซลออเซล์เสียใจกดด่าชะตากรรมอย่างนี้เรียกว่าขาดทุนนะอย่างนี้เรียกว่าทุกฟรีอย่างนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองเสียขาไม่พอนะอยังเสียใจนะแต่ว่าวิชยยัยตรงนี้เนี่ยนะแกพอแกเกิดอุบัติเหตุแ ก, แกต้องเสียขาสองข้างเนี่ยแกก็ได้ธรรมะขึ้นมาเหตุ ก, การณ์ที่มันสอนธรรมะให้กับแกว่าแม้แต่ขา สองข้างเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดมันก็ยังไม่ใช่ของเราเลยมันมีอะไรที่เป็นของเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นขาหรือแขนก็ตามรวมไปถึงปอดไปรวมเป็นหัวใจรวมไปถึงลำไส้แต่เป็นพ่อเราเป็นยึดมาเป็นของเราพอมันเกิดป่วยพอมันเกิดเสียเกิดหายขึ้นมาเราจึงทุกข์แต่ว่าคน อย่าวิชัยเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถจะเห็นธรรมะจากทุกได้เสียขาก็เห็นธรรมว่าสังขารร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเรื่องการเห็นธรรมจากทุกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระฤๅษีเจ้านะถึงจะเห็นคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ก็สามารถจะเห็นได้และควรจะเห็นด้วย เพราะาเราไม่เห็นเนี่ยเราขาดทุนเราทุกฟรีฟรีนะทุกฟรีฟรีถ้าของหายก็ของหายฟรีฟรีไม่ได้ธรรมะไม่ได้ข้อคิดมาเตือนใจตัวเองเลยแต่ถ้าเราฉลาดเนี่ยตั้งสติดได้เออของหายนี่มันก็สอนเรานะว่าทุกอย่างมันมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว หรือมาเตือนใจให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยรู้จักวางนะเพราะถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางจะไม่เสียแต่ของนะใจก็จะเสียพอใจเสียมากๆเนี่ยกินไม่ได้นอะนไม่หลับสุขภาพก็จะเสียด้วยถึงเวลาทํางานก็ทํางานไม่ได้ไม่ใช่เพราะเจ็บป่วยแต่เป็นเพราะว่า ไม่มีอารมณ์ทำงานเสียงานอีกแล้วอาจจะเสียเพื่อนเพราะเวลาเพื่อนมาหยอกล้อแต่ก่อนเราก็หยอกล้อกลับแต่ตอนนี้พออารมณ์มุดกิบนะขัดเคืองใจก็ จ, จะด่ากลับไปเกิดการทะวิวาสการเสียเพื่อนนั้นถ้าไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยนะมันก็จะเสียอะไรต่ออะไรตามมา ลองมองด้วว่าไอ้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอนอะไรเรามันสอนเราทั้งนั้นพระอจารย์พุทธ้าบอก ว, ว่าเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นธรรมะท่านบอกว่าการศึกษาชีวิตตอนใกล้ตายเนี่ยนะมันทำให้ปัญญาสมบูรณ์ขึ้นตอนจะใกล้ตายนะถ้าเราศึกษานะ ศึกษาชีวิตศึกษาร่างกายของเราศึกษาจิตจของเราจะทําให้ปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมทําให้เราได้เห็นเข้าใจเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องความทุกข์เรื่องความตายได้ชัดขึ้นแล้วด้เห็นชัดนะมันจะมีแต่ความสุขมันไม่กลัวนะความทุกข์จะไม่มาลบกลัวลังความ ทุกอย่างที่ผ่างมาในชีวิตของเราเนี่ยแม้มันจะแย่อะไรเนี่ยเราเรียกทั้งซาปทุกแต่ว่ามันสามารถจะสอนทำหรือเปิดใจเราเห็นธรรมได้เสมอและพอเห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันใจมันหลุดจากทุกเลยมีพี้งคนหนึ่งนะจะชื่อเค้กนะตอนเป็นนักศึกษาปีสามเนี่ยสวยจนได้รับยกย่องให้เป็นได้รับเลื่อนเป็นดาวหมหาอเยาล ประมาณปีสเธอก็ไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียตอนนั้นยังไม่มี Facebook นะมีแต่ว่า facebook ยังไม่ดังไม่ทพยหลายผู้ชายคนนั้นก็เกิดชอบเธอแล้วก็นัดเจอกันแต่พอผู้ชายรู้ว่าเธอก็ไม่ชอบเขาอย่างนั้นเธอก็ติดต่อเขาแบบเพื่อนผู้ชายโกรธ อ๋น้ำกรดสาดหน้าเธอผู้ชายนี่เป็ดแมนมากนะพอไม่ชอบผู้หญิงเขาน้ำกรดสาดหน้า แ, แทนที่จะใช้ความดีชนะหน้าเธอเนี่เสียโฉมมันเลยตาบอดด้วยข้างเลยคนที่เคยภูมิใจในความสวยของตัวนะถ้าเจอแบบนี้ทำไงนะมันไม่อยากอยู่แล้วอับอายขายหน้า รู้สึกตัวเองไร้คุณค่าเธอที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าเปลี่ยนใจเพราะว่านึกถึงแม่แต่ก็บอกว่าขอขอย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ที่ไม่มีคนเคยรู้จักเธอไม่เคยมีใครที่เห็นเธอตอนสวยเธอรู้สึกอายนะอายที่จะเห็นอายที่มีคนพบเธอในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้นปีสองปีเนะี่ยปรากฏว่าเธอ สามารถจะทําใจได้ใจเธอพลิกเธอไปได้งานที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะเป็นพนัก ง, งาน c เซ็นเตอร์ทุกเช้าทุกเย็นก็นั่งรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาเธอไม่รู้สึกกับอายที่คนเห็นหน้าตาเธอเป็นอย่างนั้น มีคนนึเคยเห็นเธอตอนที่เธอไปออกรายการโทรทัศน์ก็เลยถามว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอก็ตอบว่าถูกต้องแล้วข้าเรียนเรียนเรียนเรียนล้อปัญญานะดีรันกลุ่มเธอไม่อายเลยแล้วก็ไม่โกรธที่ใครจะมาทักเธอเคยมีคนถามเธอว่าเธอเโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกเธอไม่โกรธเลย กับจะขอบคุณเขาได้ซ้ำใจเธอประเสริฐ น, นะเธอวอนเนี่ยไม่โกรธอกจะไม่โกรธยังอยากจะขอบคุณเขได้อยากจะกอบขอบคุณเขาได้ซ้าเพราะว่า เ, าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับชีวิตของเธอข้อแรกคือมันทำให้เธอได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าถ้าเธอ ยังสวยพริ้งเนี่ยเธอก็คงจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่อยู่ไม่ติดบ้านแต่ค่อสองสาคัญกว่าก็สัมาว่ามันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหมายความว่ายังไงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเธอเป็นคนที่ทําอะไรก็ยึดติดถือมั่นมากแต่พอมาเจอเหตุการณ์ถูกน้ำตกกรดสาดหน้าเนี่ยจนเสียโฉนเนี่ยมันก็ทําให้เธอได้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุ นาตาที่ที่เคยสาสวยงเธอเนี่ยนะถ้ามันไม่เสื่อมไปเพราะเหตุการณ์นในวันนั้นเนี่ยถึงเวลาแก่ตัวมันก็ต้องเสื่อมไปในที่สุดนะมันสอยเธอปล่อยวางมันทาให้เธอเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่เพราะเห็นนั้นเนี่ยเธอบอกว่า พอเธอเจออะไรต่างๆมากระทบเธอก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นใครก็จะพูดถึงเธออย่างไรใครก็จะนินทาเกี่ยวกับหน้าตาเธออย่างไรเธอก็ไม่ทุกข์อะไรละเพราะเธอได้รู้จักปล่อยวางอันนี้คือตัวอย่างคนที่เขาเจอทุกเรื่องเนี่ยเห็นธรรมเห็นธรรมว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเห็นธรรมว่านะ คนทุกนเนี่ยเพราะความยึดติดถึงมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใาก็ตามที่เราเจอทุกนเนี่ยนะอย่าพึ่งบวยวายอย่าพิ่งครั่งครวญลองตั้งสติมาันกํากลังจะบอกอะไรเราน่าจจะกําลังสอนทําให้กับเราซึ่งจะมีคุณค่ามากตัวอย่างที่จะมาพูดมาทั้งหมดนี่นะรู้แต่คนที่เจอของหนักหนักทั้งนั้นนะแต่ว่า ในสุดเนี่ยเขากลับได้ของดีได้ธรรมะและตามมาด้วความสุขนะ <c oughs> บางอย่างไม่ใช่มันหายนะความเจ็บปวดก็ไม่ได้หายอย่ง <c oughs> ท่านโกิงก้าเนี่ยยังดีนะหมาเกินหายแต่ตัวอย่างหลายคนที่อดทนผู้มาเขาไม่หายนะหน้าตาที่เสื่อมมันก็ไม่ได้กลับดีขึ้นนะลูกที่เสียไปก็ไม่ได้ฟื้นกลับคืนมาแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์ นั้นทุกกับธรรมเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากและมันคืออันเดียวกั น, นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอเจออะไรก็ตามที่ไม่ไม่ถูกใจเราเนี่ยนะลองนะฉลาดในการเปลี่ยนเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรม เรีนทุกอยเป็นทําให้ได้มันแค่คลิกนิดเดียวเนี่ยจากจากคลิกมือซ้ายเป็นมึกคลิกอ่ะหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยทุกมันกลายเป็นธรรมทนันทีมันสอนเราเรื่องความไม่เที่ยงมันสอนเราเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันสอนเราเรื่องโลกธรรมแปดก็ได้ สมัยที่หลวงปู่ขาวเนี่ยอนารยโยยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยวัดทำกองเพลงเนี่ยมีแม่ชีท่านหนึ่งนะชื่อแม่ชีสาเป็นคนที่อุปถัมภ์พระเนนดีมากแล้วก็สนใจปฏิบัติธรรมจริงจังด้วยจนก้ะทังหลวงปู่ขาวก็ชมวันหนึ่งหลวงปู่ขาวเนี่ยสั่งให้พาสองลูก ไปดูดา่าแม่ชีสาสองรูปนั้นท่านก็งงนะแต่ว่าครูบาอาจารย์สามก็ต้องไปท่าก็ไปที่กติแล้วก็ไปดา่าหาอะไรต่ออะไรมาดา่าแม่ชีสาแม่ชีสาทีละก็งงนะแต่ตั้งสติดได้ก็พนมมือฟัง ทังหมดานด่าด่าด่าด่าดไม่รู้จด่าอรแล้วก็หยุดน่าชี้สาแทนที่จะโกรธแทนที่จะน้อยเนื้อต่ํำใจว่าทําไมเราครูบาอาจารย์ถึงทํากับเราแบบนี้เราอุตส่าห์ตั้งใจดูแลอุปถากภ์นะทำไมท่าไมห็นความดีของเราแล้วถ้าเกิดคนหนึ่งเขาเห็นเขารู้ว่าเราถูกด่านี่เราจะหน้าไปสู้ว่าที่ไหนแม่ศีสาไม่มีความคิดแบบนี้เลยแม่ศีสากับพูดขึ้นมาว่า ท่านอาจารย์ท่านดูดาเสร็จแล้วเหรอทีฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินเสียงดูดานี่เป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยขาวหน้าที่ ม, ดดมนตะ์ด่าใหม่นะมันจะได้ ก, ด ก, กิเลสแก้ได้หมดสักทีกิเลสแก้ได้หมดสักทีมองคําด่าว่าเป็นเสียงธรรมะนี่คือเปลี่ยนทุกขเป็นธรรมเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ย ถูกด่าเมื่อไหรคือซวยใช่ไหมการด่าเนี่ยการกดาูด่าการสูกด่าว่าการเป็นความทุกอย่างหนึ่งของคนของผู้คนในปัจจุบันแต่ว่ามิจฉากามองว่าเนี่ยคือธรรมะเนี่ยคือสิ่งที่จะขูดกิเลสให้หมดไปสิ่งที่จะขูดตัวตนให้หมดไปไต้องฉลาดนะในการเปลี่ยนผูกให้เป็นธรรมนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการความดูด่าว่ากลา้าไม่จะเป็นคํามอุปสรรคความล้มเหลวความสูญเสียความ พ, พัดพลาดความเจ็บความป่วยหลวงพ่อของธรรมาหลวงพ่อมังคีนท่านพูดว่าแม้ถูก ด, ดา่าเราก็ยังสามารถเห็นสัจธรรมได้เห็นสัจธรรมอะไรสัจธ ร, รรมเรื่องโลกธรรมแปดว่าสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กัน เวลมีคนดา่าเราเขากำลังแสดงทําให้เราเห็นว่าเนี่ยโลกธรําแปดเป็นอย่างนี้แหละเมื่อวานนี้มีคนชมเราแต่วันนี้ถูกดา่าซะละบางทีไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยเมื่อสักครู่นี่เองนะมีคนชมเรากดไลค์ให้เราสักพักก็มีคนเขียนมาคอมเมนต์ด่าเราสมัยนี้อะโลกธรําแปดเห็นชัดมากมนาะจาก facebook เนี่ยนะ คนหนึ่งกรไล่เด็กคนหนึ่งก็เมนด่าจะไม่โกรธแล้วเขากำลังแสดงทำให้เราเห็นหายาหลวงหลวงพ่อทองรักนนะกัมตาศิโลท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นที่ทำลายแ็งแผลงนะบางทีไปบินธบาสเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่สนใจใส่บาสท่านก็ไปไปชักชวนให้ใส่บาส ไปเรียกให้เอาเข้าวเหนียวมาถวายปดยีิภาคเขาไม่ทำกันนะเพราะว่าทำนี้เนี่ยมันอาบัตแต่ท่านก็ทำได้เห็นว่าต้องการชวนให้เขาเนี่ยรู้จักใส่บาทมีชาวบ้านบางคนไม่เข้าใจวันหนึ่งเนี่ยทําป็ปบิณฑบาตอยู่เขาก็ย่อนกระดาษลงไปในบาตรท่านรู้แล้วเนี่ยคือบัตรสนเทศ ท่ารู้แล้ ว, วข้างในนี่คืออะไรพอมาถึงกุฏิอพอมาถึงวัดท่านก็เรียกพระเดนมารวมก่อนแล้วท่านก็คลองผ้าสังกติอย่างดีนะเว mm hmm. ลาพลาักผ้าคลองพาสังสังกติแสงว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็บอกยื่นกระดาษให้แล้วบอกให้ใ ห, ให้เนเนี่ยอ่านบอกว่าถ่าบอกว่าวันนี้ได้อมฤตธรรมมาแต่เช้าเลยเทวดาสายบาทมาให้เนเนก็อ่านพระผีบ้า นะเป็นพระเป็นเจ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่สํารวมประจบสอบพอขอข้าวชาวบ้านขอของชาวบ้านาพระแบบนี้แม่เดินแม่เดินแม่ขอหรือเดินกาวได้ก็ไม่แม่ถือให้ว่าเป็นพระให้ออกไปจากหมู่บ้านเดี๋ยเสีเสแต่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะมีลูก ป, ปืนลูกตะโกมาฝาคนที่เขียนนี่ก็เป็นคนที่ต้องการปกปักรักษาพุทธศาสนานะเห็นพระไม่ดีก็อยากจะ สั่งสอนแต่ว่าสั่งสอนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะจะใช้ลูกปืนเชียวพร้อมเน้นอ่านจบนี่หลวงพ่อของร้าบอกโอ้ดีแท้นะนะหายากเลยนเนี่ยจะ ก, ก่อนเคยได้ยินมาแต่เขาพูดว่าโลกธรรมเป็นอย่างไรวันนี้ได้เห็นของจริงเลยนะเน้น เอาไปไว้ใต้ฐานผ้านะไว้ใต้ฐานผ้าเพื่อได้กล้าเนี่ยคือนอกจากท่านไม่ทุกข์แล้วนะท่านยังสามารถจะชวนให้ภาพยายนี่เนี่ยเห็นประโยชน์ว่าเนี่ยโลกธรําแปลเป็นอย่างนี้แหละเอามาเป็นสื่อการสอนซะเลยนะนี่รถ น, น, นี่คือการเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมเปลี่ยนคําด่าให้เป็นธรรมะนะสำคัญนะเราต้องรู้จักเปลี่ยนคายําด่าเป็นทํารมะได้ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำด่าคือธรร ม, มกนะกทนมันกำลังสะททอนโลกธรรมแปดถ้าเราเห็นนะเราจะได้ไม่หวั่นไหวเพราะคนเราถ้าปยญญุติในโลกธรรมแปดได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสารเสริญนินทาสุขทุกเนี่ยเราก็จะเราก็จะทุกถ้าปยญญุติในคำสารเสริญในคำใน ในทรัพย์ที่ได้มาถึงเวลาเสื่อมไปแล้วก็ทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยนะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปผักสายมันนะตั้งสติให้ดีแล้วพิจารณา รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์และไม่ใช่เฉพาะทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราจากภายนอกเท่านั้นนะเวลาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในเนี่ยความเกลียดความโกรธความเศร้ามันก็เป็นของดีเหมือนกันนะนักภาวนาเนี่ยหรือว่าคนที่ใส่ธรรมเนี่ยหลายคนจะไม่ชอบอารมณ์เหล่านี้ เวลาปฏิบัติทำนั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านไม่ชอบหลายคนบอกว่านั่งสมาธิไม่ไหวห้านทีก็ไม่ไหวก็รามัฟุ้งเหลือเกินที่จริงห้าความฟุ้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะความฟุ้งก็สอนทําไม้กับเราได้ความฟุ้งถ้าเราถ้าเรามาใช้ในการฝึกส ต, ติเนี่ยส ต, ติเราจะไวขึ้นหมายความว่าส ต, ติเนี่ยก็คือความสามารถในการระลึกได้ความระลึกได้เกิดขึ้นมาเราเผลอ ถ้าเราไม่เผื <besar> <ocalyptic Denmark> ่อเราก็ไม่ระลึกได้ถ้าเราไม่เคยทําผิดเราก็ไม่รู้ว่าถูกกันอย่างไรใช่ไหมการทําผิดบ่อยๆทําให้เรารู้ว่าทําให้ถูกได้อย่างไรการที่เราเผื่อบ่อยๆก็ทําให้เรารู้ว่าสติจะรู้ทันความฟุ้งซ่านได้อย่างไรความกลัวก็สอนทำมาให้กับเราได้ความเผืก็แสดงทําให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มันมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันสอนการละกัลเราได้เหมือนกัน ถ้าเราพิจารณานะดูไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายและใจเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะเห็นไตรลักษณ์จากสิ่งเหล่านี้และถ้าเราเห็นไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยนะถึงจุดหนึ่งเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลย ายเราก็เป็นทุกข์ใจเราก็ทุกข์ทุกในที่นี้หมายความว่าตั้งอยู่ไม่ได้มันหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่พล่องอยู่เสมอนะมันเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์มันเป็นสิ่งที่ถูกถูกบีบคั้นด้วยความไม่เที่ยงแม้แต่ความสุขก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันตั้งอยู่ได้จริงชั่วขณะและมันก็เสื่อมไปควาว่าทุกข์เกอนนี้นะ ทุกตายรักเนี่ยงัถ้าเราเห็นเนี่ยนะว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะปล่อยวางหลวงพ่อกำมาหลวงพ่อเขียนพระพูดว่าเนี่ยเห็นทุกข์กับคนทุกข์เห็นทุกข์กับคนทุกข์ ห, กกกหมายความว่าเวลามันมีทุกข์เกิดขึ้นเราไม่เข้าไปในทุกข์เราเห็นมัน เช่นเวล า, เาปวดเราเมื่อยเนี่ยถ้าเราเห็นความปวดความเมื่อยนะใจมันจะเป็นปกติมันจะเมื่อยมันจะปวดแต่กายแต่ใจไม่ปวดแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นทุกข์ส่วนใหญ่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์หลวงพ่อคเขียนสอว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นความปวดอย่าเป็นผู้ปวด ถ้าเราเป็นผู้ป่วดเมื่อไหร่เนี่ยมันปวดทั้งกายปวดทั้งใจหลวงปู่บุตดาสาววโรท่านมรณภาพไป23ปีแล้วนะฮะตอนที่มรณภาพก็100ยร้อยรปีพอดีตอนที่ท่านยี่สิบแปดสเสิบเนี่ยท่านต้องไปผ่านิ้วออกสมัยนั้นมันต้องใช้วิธีผ่า สักห้าสิบปีที่แล้วผ่าได้สักสิบห้าพอผ่าเสร็จสิบห้าทีท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วเขอยยังช่วแล้วคือท่านออกจากวันแล้วได้ท่านออกจากโรงพยาบาลหมอพยาบาลแปลกใจเพราะคนที่ผ่านมากระท่านเนี่ยยังปวดก็ปวดเลยหมอได้ถามว่าหลวงพ่อไม่ปวดเหรอทำไงหลวงพ่อถึงไม่ปวดหลวงพ่อตอบว่าปวดสิทำไมไม่ปวด ร่างกายของหลวงปู่ก็เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละแต่ใจไม่ได้ปวดไปกับกายด้วยนี่ยคือท่านเห็นนะท่านเห็นว่าความปวดมันเป็นของกายเขาไม่ได้ไม่ได้รูสึกว่ากูปวดนะถ้าจะเห็นความจริงว่ามันไม่มีกูตั้งแต่แรกเลยซ้ําำจะเห็นว่ากายปวดแต่ไม่ได้กูปวดพอถึงกายปวดกูไม่ปวดใจมันก็เลยเป็นปกตินะ น hey. ี้กื่อความหมายหนึ่งคือเห็นทุกข์ก็พ้ทุกข์เห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดใจก็ไม่มีทุกข์ความหมายที่ลึกกว่านั้นคือการที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรยึดติดถือมั่นเมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าข้างนอกข้างในไม่ว่ากายไม่ว่าใจไม่ว่าทรัพย์สมบัติใจมันจะวาง แต่มันจะวางพอวางปุ๊บเนี่ยมันมันมันหมดทุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าจึงอยากจะย้ำว่าทุกข์กับธรรมเนี่ยนะมันมันใกล้กันมากแล้วก็ที่จริงก็คืนอันเดียวกันเอเลสสานข้อที่ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะก็คือทุกข์นั่นแหละอเลสสานข้อแรกหรือคือทุกข์พระจ้สอนให้รู้จักทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะ ถ้าเรารู้ทุกเอ๊ะอันนี้ใส่าข้อก็จะตามมาทุกก็คือประตูไปสู่ธรรมะโดยเพราะนิโรธคือความพ้นทุกขนะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้เราเนี่ยนะพยายามทำความเข้าใจกับทุกให้ดีแล้วก็ใช้มันให้เป็น ใจล้วก็จะเย็นได้เพราะว่าเข้าถึงธรรมก็พอสมควญกับเวลาแล้วนะก็คงยุติไดเป็นเท่นนี้ถ้าใครสงสัยก็เชื่อมีเวลาพอที่จะซักถามได้ พระอาจารย์บอกว่าเห็นผมแบบครับเราสามารถแยกออกมาได้ครับถ้าเกิดผมผอย่างนี้เกิดไปบุกติดว่าเป็นญาติหรือว่าเปบุกติว่าเป็นตัวโกอกคนเนี้ยไปคือปัญหาไม่เกิดจากญาติเรผมจะแยกตัวออกมาเองครับทำไมญาติญาติก็ทำไมนะคือเกับว่าจะเป็นญาติแล้วกันเป็นญาติเราครับคุณญาต เป็นเป็นยากยากยาก <Yeah. S 1> เรานยเี้ยเราเกิทุกข์เพราะปัญหาของของท่านนย่าเ้ยเราผมบางทีผ ม, ผมถ้าเกิดปัญหารเรื่องทุกเรื่องอื่นนะครับเรื่องเพื่อนเรื่องอตัวของของเองอย่างเงี้ยผมแย่ตัวมาได้เยอะมากไม่กี่วันหรือไม่กี่วันก็ไปแล้ครับแต่ผมเป็นญาติพี่น้องอยเงี้ยมันก็รู้สึกเป็นตัวครูของครูแล้วนนนมั mm hmm. นไม่สามารถแยกของของ คือทุกใจเนี่ยทุกใจถึงที่สุดแล้วลบเกิดจากความยึดติดถือมัน่นนะความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยถ้าเป็นความทุกข์ใจเนี่ยสาวไปให้ลึกเนี่ยก็จะพบว่ามันเกิดจากความไปยึดติดยึดติดว่าอะไรยึดถว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมคนทุกข์ เมื่อร่างกายเจ็ป่วยก็พ่อไปยึดว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของเราแล้วก็มีความยึดที่สอดที่แท้ไปอย่างนั้นว่าไปไปด้วยว่าอยากให้มันเที่ยงอยาให้มันสุกนะอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังนะันพอมันแปลเปลี่ยนไปก็เลยก็เลยทุกข์เพราะว่ามันมันไม่เปลีป่ยนแปลงที่คิดคราวนี้เนี่ยเรื่องของญาติเนี่ย หรือพี่น้องก็ตามเนี่ยถ้าว่าเราเราใช้เมตตากรุณาเข้ามาแทนที่โดยที่คลายความยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราให้น้อยลงมันก็ช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือท่านได้โดยที่ใจไม่ทุกข์นะ ทำกิจและทําจิตไปพร้อมๆกันทํากิจคือช่วยเหลือท่านแต่ว่าใจาก็ปล่อยวางนะปล่อยวางว่า อ, อย่างเรกๆที่คุณทำได้เนี่ยปล่อยวางในผลสำเร็จนะคุณช่วยท่านหรือช่วยใครก็าตามเนี่ยช่วยเต็มที่ แต่ถ้าใจไม่ยึดติดกับความสำเร็จไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์ใ่ไหมไอ้เรื่องการปล่อยวางว่าไม่ใช่ยากของเราเนี่ยอาจจะยากนะแต่เริ่มต้นจากการที่ปล่อยวางความสำเร็จเมื่อคุณเดินทางไกลเนี่ยถ้าเมื่อไหร่คุณไปยึดติดถึงแม่ความกับความกับจุดหมายปลายทางว่าจะต้องถึงภายในเวลาห้าชั่วโมงคุณจะเดินทางที่ความทุกข์ถ้าเกิดเจอรถติด นะใจคุณจะคิดแต่ว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึงนะแต่ถ้าคนเดินทางเนี่ยคุณเดินทางด้วยความไม่ประมาทเพราะคุณเป็นคนขับรถใจคุณอยู่กับปัจจุบันถึงเมื่อไหรก็ช่าง คุณจะเดินทางด้วยความสุขแล้วในที่สุดคุณก็จะถึงจุดหมายปลายทางแต่ขณะที่ยังไม่ถึงใจก็ไม่ทุกข์อันนี้เรือปล่อยวางความสำเร็จหรือปล่อยวางจุดหมายปลายทางไว้ก่อนนะสมัยเมื่อถ้าจะเพื่อธาตุดิ้งมีชีวิตอยู่แล้วก็ ประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยก็มีการก่อสร้างอาคารต่างๆหลายอาคารเช่นโลมหอศพทางวิญญาณตอนหลังก็มีโครงการใหม่ก็คือโครงการสร้างธรรมนาวาเรือเป็นอาคารที่รูปร่างคล้ายเรือเพื่อเก็บน้ําฝนเช่นเดียวกับโลมหอศพทางวิญญาณใช้เวลาหลายปีเพราะว่าต้องใช้แรงงานพระเนน มีวันหนึ่งก็มีโยมไปกราบท่านแล้วก็ถามว่าเรือเนี่ยเสร็จหรือยังเรือคืออาคารที่ชื่อธรรมนาวานี่ได้จังแต่ว่าเสร็จแล้วชายนั้นก็แปลกใจเพราะว่าเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยไปแค่ครึ่งเดียวเลยพอไปดูเรือบอกว่ายังไปได้ไม่ถึงไหนเลย <c oughs> ก็สงสัยกลับมาหาจามุท่าแล้วถามว่า ถ้าอาจารย์ทำไมบอกว่าเสร็จแล้วมันยังไม่เสร็จเลยท่าอจาก็ตอบว่าเสร็จแล้วเสร็จจริงๆวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จมาลือนี้ก็เสร็จเสร็จทุกวันเข้าใจาไหมคือคนเราถ้าทำอะไรเสร็จเนี่ยใจเราจะสบายท่าอาจารย์ุทธานี่ย ท, ท, ท, ท่านทำท่านทงานแต่เช้าจุดเย็นพอถึงเวลาเย็นเลิกงานท่านก็วาง ท้าไม่ได้แค่วางค้อนวางวางวางเครื่องมือท่านวางงานออกไปจากใจด้วยความสึกท่านคือคือสบายเป็นความสึกเมื่อคนที่ทำเสร็จแล้วอันนี้ไม่เสร็จหรอกแต่ว่าใจท่านเนี่ยปล่อยวางแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ไปว่ากันใหม่ใช่ไหอันนี้เรียกว่าท่านปล่อยวางความสำเร็จถามว่าทำเต็มที่ไม่ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียสเพราะว่าใจนี่ปล่อยวางฉะนั้นคุณก็ช่วยช่วยญาติช่วยใครเนี่ยคุณก็ช่วยเต็มที่แต่ให้ปล่อยวางความสําเร็จเท่าไหร่ก็เท่านั้นช่วยแล้วกลับไปบ้านไม่เอามือกายหน้าผากด้วยความวิตกกังวลด้วยความห่วงใ่ไอย่างเงี้ยคุณเริ่มต้นตรงนี้ก่อน แต่การเดชะเนี่ยก็ปล่อยวางความยึดติดถือมั่นค่อยๆปล่อยก็ได้มีเพื่อตามาคนหนึ่งนะไปเจอกันในงานศพของของพ่อเพื่องเพื่อนคนเนี้ยตามารู้จักมาห้าสิบปีแล้วสมัยเรียนตั้งแต่มัธยมไอ้ตั้งแต่เรียนประถมเจอหน้ากันแกก็ขอบคุณาตามาถามว่าขอบคุณเรื่องอะไรแกบอกขอบคุณ พรว่าได้ฟังธรรมะของตัตมาตอนหน้านี้แกมีปัญหากับลูกชายลูกชายเนี่ยเรียนมาอะไรแล้วตัวเพื่อตัตมาเนี่ยเป็นคนขยันทํางานธุรกิจธุรกิจเนี่ยระดับร้อยล้านพันล้านเรียนเก่งตั้งแต่เล็กมีวินัยแต่ลูกชายเนี่ยเหมือนคนรุ่นใหม่สมัยนี้นะก็คือว่าสบายๆตื่นสายไม่สนใจเรียน แกก็จำจีจำช้ลูกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเกิดความตึงเครียดระหว่างลูกกับพ่อลูกก็ทุกแกก็ทุกแลแ้วแกก็เพลินได้ฟังธรรมบาลจิตธรรมาพูว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราสั่งให้มันไม่แก่ไม่ป่วยก็สั่งไม่ได้ลูกก็ม่ใช่ของเราสมัยก่อนเราพูว่าลูกเลีล้ยงได้แต่ตัวแต่สมัยนี้ ตัวลูกเราก็เลี้ยงไม่ได้เราอยากให้ลูกอ้วนมันไม่อ้วนอยากให้ลูกผอมมันดันอ้วนใช่มแ้วเดี๋ยวนี้เด อ, ดอ้วนขั้นมะพ่อแม่อยากให้ลูกผอมมันไม่เคยผอมสักทีเลยไม่เลี้ยงได้แต่ตัวก็ยังเลี้ยงไม่ได้ลูกไม่ใช่ของเราแกก็ได้คิดขึ้นมาแล้วการที่แกเริ่มตระหนักว่ารูกไม่ใช่ของเราเนี่ยนะมันทําให้แกเริ่มไปแกก็ จำทีจำฉายลูกน้อยลงความรักยังมีอยู่แต่ว่าจำที่จำฉายน้อยลงแล้ววันหนึ่งลูกก็พูดกับแกขึ้นมาว่าพ่อเปลี่ยนไปนะแต่ก่อนเนี่ยพ่อไม่ฟังลูกแล้วแต่เด็กนี้พ่อฟังลูกมากขึ้นลูกแกก็ประพฤติตัวดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแกก็ดีขึ้นตัวแกเองแกก็ใจสบายมากขึ้นแกก็เลยมาขอบคุณ ไอบางทีเนี่ยเราค่อยๆฝึกการปล่อยวางนะแต่การปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยไปแล้วเลยนะปล่อยวางว่าลูกไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยังดูแลลูกด้วยความเมตตากรุณา ก, ก็เหมือนกับร่างการไม่ใช่ของเราไม่ได้แปลว่าพอมันป่วยเราก็ทิ้งเราก็ต้องดูแลรักษาบ้านไม่ใช่ของเราแต่ถ้าหลังคาลูกก็ต้องซ่อมใช่ไหม เพราะว่ามันจะได้ใช้ประยช์ได้นานๆเรียกว่าปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนะอย่างนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสได้น ะ, อะเอาเชิญ การเดินสายกลางา ก, การักากับการถือสินค้าเนี่ยค่ะทางไหนปฏิบัติยากกว่ากันควรที่จะทาสิ่งใหญกว่าคะสหรับคนที่ยังไม่ลึกซึ้งกับคว่าคค่ะจริงๆทางสายกลางนี่นะมันก็รวมไปถึงการฝึกกายและใจ ที่เรียกว่าทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่ก็เป็นทางสายกลางนะทางสายกลางในที่นี้เนี่ยพุทธเจ้าหมายถึงว่าทางที่ตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ไอ้ทางที่ไม่ตรงไปสู่ความทุกพ้นทุกข์จะมีสองอย่างหนึ่งการทรมานตนนะเช่นพวกฤาษีชีพไรในอินเดียสองการที่เอาแต่เสพสุขเพลินในกามนะ การที่เราใช้ชีวิตที่รู้จักให้ทานรักษาศีลแบำบเพ็ญทอนานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าทางสายกลางแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดก็คือว่าต้องมีความพอดีความพอดีไม่ใช่ทางสายกลางนะเช่นการให้ทานเนี่ยต้องให้ทานแต่พอดีถ้าให้ทานจนล่มจมเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหม คนไทยไปสับสนระหว่างความพอดีกับทางสายกลางแต่ทงางพุทธศาสนานี่แยกกันความพอดีเนี่ยเช่นให้ท า, านแต่พอดีขียนแต่พอดีกินแต่พอดีเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางแต่ว่าจําเป็นจะต้องมีฮะสี่สห้าทำไมเพราะสี่สสห้าที่ต้องทํา ต้องทำถ้าเราปรารถนาชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาสี่เนี่ยความเดือดร้อนจะตามมาใช่ไหมเอาแค่เราไม่รักษาสินข้อที่ห้าเนี่ยชีวิตเนี่ยนะมันวุ่นวายนะกินเหล้าโลคภัยก็ําหาอาจจะเกิดอุบัติเหตุงานการก็ไม่ทำหนี้สินก็เพิ่มพูนนะทะเลาะเบาแวงกับครอบครัวคนรอบข้างเผล อ, อไป ไปชนคนตายเพราะเมามายหรือไปตีหัวคนตายเพราะว่าเมาไมา้ศีลห้าเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าต้องทำถ้าปรารถนาชีวิตที่ผาสุขศีลห้าเป็นทางสายกลางอยู่แล้วถ้าเรารักษาศีลห้าก็ถือว่าเรากาลังอยู่บนทางสายกลางอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็ต้องรักษาถูกต้องนะ รักษาถูกต้องไหมครับว่าเวลาเรารักษาศี่ห้าได้ครบเนี่ยเราก็ไม่หลงตัวลืมตนว่าเราประเสริฐกว่าคนที่เขารักษาได้แค่สีข้อเช่ไหมเราไม่ดูถูกคนกินเหล้าถึงแม้เราจะรักษาสีนห้าครบก็ตามนะเราไม่ยกตนของท่านแล้วก็เรารักษาสี่ห้าเนี่ยนะก็เพราะว่าด้วยจิตที่ต้องการพัฒนาตนนะไม่ใช่ไป ใช้ศีลเนี่ยเพื่อไปว่ากล่าววิจารคนอื่น น, นะอันนี้ก็เรียกเป็นทางสายกลางได้นะใช่ถ้าเมื่อต่ก็ตามที่โยมเนี่ยให้ทางรักษาศีลและภาวนานเนี่ยให้รู้ว่านั่นคือทางสายกลางแล้วอนะ่ามะสักคะก็จะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนูเนี่ยค่ะก็จะชอบแบบฟังธรรมะ ศึกษาหนัสือธรรมะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าจะปฏิบัติทําเหมือนส่วนมนต์ได้จะรู้สึกฟุ้งซ่านหรือบางทีเราเราจะแบบเหมือนยังไม่มีสมาธิที่เพียงพอคะ่ะจะขอคําแนะนำจากพรอาจารย์คะ่ะว่าควรจะทําอย่างไรดีคะ่ะคือการปฏิบัตินเนี่ยนะมันจะช่วยทําให้ธร ร, รมะมันอยู่กับในบตัวถ้าเราฟังธรรมะเนี่ยมันก็สบายใจชัว่วครั้งชั่วคราวแต่ว่า พอพอไม่ได้ฟังธรรมะเจอทุกจิตใจก็รุ่มร้อนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยเราไปปฏิบัติด้วยปฏิบัติทั้งในเทื่องตมาบอเนี่ยทานศีลภาวนาแล้วปฏิบัติให้ถูกเช่นเวลาให้ทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดละความเหนแก่ตัวเป็นการฝึกใจให้ปล่อยวางในทรัพย์สินเวลารักษาศรรีลเราก็ถือว่าเป็นการฝึกใจเพื่อให้กิเลส โลภะโทสะมหาไม่มาครอมงำแล้วก็กล้าไปสู่ภาวนานะก็คือการฝึกจิตนะให้มีสติมีสมาธิมีปัญญางนั้นถ้าเราถ้าเราฝึกฝึกเจริญภาวนาเนี่ยทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันเนี่ยมันทำให้ธรรมะเนี่ยมันซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตใจเราอยู่กับเนืกก้อตัวทั้งเนื้อทั้งตัวได้แล้วเวลาเจอทุกข์ เราก็สามารถจะก้าวข้ามทุกได้สามารถจะรักษาใจไม่ให้ทุกสามารถจะเอาทุกมาใช้เป็นประโยชน์ได้การเจอการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันก็สําคัญการปฏิบัติในรูปแบบก็สําคัญคุณอาจจะฝึกสติก่อนนอนหรือตื่นนอนเวนลาห้าทีสิบนาทีก็ยังได้เริ่มต้นจากน้อยแล้วก็ทําทุกวันจนกรทั่งทํามากขึ้นนะแล้วก็ในชีวิตประจําวันก็ทํา เช่นทำอะไรก็ทำอย่างมีสติตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตื่นเช้าขึ้นมาอาบนา้าถูฟันนะเก็บที่นอนกวาดบ้านทำอย่างมีสติจะปล่อยใจลอยนะทำทุกอย่างอย่างมีสติแล้วเวลาเจออะไรก็ใช้ธรรมะเขาแก่ใครเขาตอว่าด่าทอเราเออก็ถือว่าเข้ามาสอนให้เราเห็นเรื่องโลกธรรมแปด แต่เข้ามาตอบว่าดาทอเรารักษาใจไม่ให้ทุกข์คุณทำสองอย่างนี้พอนะสิ่งที่ทุกอย่างที่คุณทำให้ทำให้มีสติทุกอย่างที่คุณเจอนะให้มีสติรู้ทันสองอย่างนี้ถ้าคุณทำแค่เนี่ยมันทำทั้งวันล้ะเพราะในชีวิตในชีวิต ป, ปะจําวันคุณมีเจอคุณมีแค่2 อ, อย่างเนี่ยคือทำกับเจอนะทุกสิ่งที่ทำให้มีสติทุกอย่างที่เจอนะให้มีสติ ให้มีให้มีให้มีปัญญาแค่นี้แหละนะพอแล้วทาแค่สองอย่างพอทุกสิ่งที่ทํานะให้มีสติทุกอย่างที่เจอแล้วก็ให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อค่ะคือแบบวันยิ้มทางานนีค่ะงานเดี๋ยวเราจะรู้สึกกังวลหรือแบบเพราะว่าโฟกับงานเราจะเสร็จไหมเราจะทําทันไหมหรือแบบหลายอย่างทําให้เราเหมือนแบบ มีส ม, มาธิกับงานที่เราทำอยูก็ใช้วิธีหนึ่งที่ท่านวนะ่าตอนนบอได้ใช่ไหมคะให้วางอนาคตซนะที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องอนาคตตรงนั้นเลยว่าทํางานจะเสร็จเมื่อไหร่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงคุณเอาจําอยู่กับปัจจุบันก็คือมีสติซึ่งอาจารยก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะก็ว่าให้วางจุดหมายปลายทางให้วางผลงานที่ยังไม่เกิดขึ้นซะนะอยู่กับปัจจุบันแล้วทําเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ไม่ว่าเสร็จ ขึ้ครื่องกลางหรือว่าเสร็จแล้วสมบูรณ์เนี่ยกลับไปบ้านก็วางเอกจากใจไม่ต้องเอามือไก่นับผานะเมืองเทศเจ้าพุทาบอกเสร็จแล้วเสร็จทุกวันน่ะก็คือว่าท่านวางมันจากใจลงมาลงจากใจนะคุณจะนอนหลับคุณจะสุขภาพคุณจะดีขึ้นไม่เห็นนี่นี่ใครยกมือนะ การพระมาสใจนั่นอาจารย์นะคะจะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เขากําลังทุกข์ทรม า, านกับอาการเจ็บป่วยแล้วก็ทุกใจจากความรู้สึกที่เขากําลังจะพัดผานเราจะมีวิธีการหรือว่าแนวทางปฏิบัติอย่างไรที่จะให้เขาเหตุพวกเหล่านี้เปลี่ยนเป็นธรรมะคะอจาจจะยากนะเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยเจอทุกข์เนี่ยยังเปลี่ยนเป็นธรรมะได้ยากเลย แต่คนซึ่งใกล้ตายเนี่ยนะโอ้มันร่างกายก็แย่อยู่แล้วสติ ก, ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่มันง่ายก่อนเช่นถ้าเขาถูกแวดล้อมด้วยคนที่ให้ความรักกับเขาถ้าทุกคนที่แวดล้อมเาเนี่ยมีความรักให้กับเขาเนี่ยนะเขาจะเกิดกำลังใจนะชวนพูดถึงเขาชวนพูด ชวนเขาคุยเรื่องสิ่งที่เขาพลาคปรุิใจในชีวิตคุยกับเขาเรื่องธรรมะคุยกับเขาเรื่องบุญกุศลที่เขาได้ทำให้ใจเขาน้อมนึกถึงพระแล้วก็ชวนให้เขาเนี่ยละทุกสิ่งนะทำสองอย่างนี่นึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งนะแล้วถ้าเกิดว่าพอเขาพอพอเริ่มขยับ พอตรงนี้เริ่มเริ่มทําได้เนี่ยก็ชวนเขาฝึกสติให้เขามีความรู้สึกตัวให้เขาเห็นว่าทุกกายแต่อย่าทุกใจป่วยแต่กายนะแต่ใจไม่ป่วยตรงนี้มันต้องมีสติมันต้องใช้ต้องใช้ปัญญานะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ปลูกพื้นมาตั้งแต่ก่อนป่วยเนี่ย มันต้องใช้เวลานะ น, นั่นเป็นขั้นที่สามนะขั้นพื้นฐานคือว่าพูดในพูดถึงสิ่งที่เขาภาคภูมิใจสิ่งที่เขาอ่าสิ่งที่เขาชอบนะเพื่อไม่ให้ใจเขาเนี่ยไปคิดถึงสิ่งที่มันแย่ๆไปคิดถึงความตายหรือว่าไปปักอยู่ความปวด ชวนให้ใจเขาน้อมไปถึงสิ่งดีๆรวมทั้งพระรรนักตรยรวมทั้งบุคศลสนะและเขาเนี่ยอยอมรักความตายให้ได้รักทุกสิ่งนะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะส่วนเรื่องจะเปลี่ยนทุกให้เป็นธรรมเนี่ยมันค่อยตามมาทีหลังนะ ตอนนี้ทำไงทำใจให้จำทำใจเขาไม่ให้ทุกข์ก่อนนะเฮ้ยเกิดว่าพอเราพอใจเขาเริ่มเป็นเนพอใจเขาเริ่มเบาเริ่มสบายแล้วเนี่ยนะก็พยายามมองว่าไอ้ความผู้ที่เกิดขึ้นขังเขาเนี่ยนะมันมันสอนให้เขาเห็นบ้างไหมว่าสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรที่ยึดมันถือมันได้เลย ตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ตามมา ธรรเนี่ยมันมีสองสองสองอย่างนะธรรมะจุฬาจัลศรนี่แบ่งเป็นสองส่วนอันแรกคือความจริงคันที่สอง ค, อความดีความจริงแลว้วก็สัจธรรมความดีิงแล้วก็จริยธรรมนะคันที่เสียงเนี่ยนะเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะจริงๆเนี่ยเพาะหรือไมพอเนี่ย มันอยู่ที่เราตีความมันอยู่ที่เราให้ความหมายก็มันก็อร่อยไม่อร่อยเนี่ยกะปิเนี่ยคนไทยกินแล้วอร่อยให้ฝรั่งกินมันไม่อร่อยใช่เพราะฉะนั้นเสียงเพราะไม่เพราะเนี่ยเหมือนกันนะมันเป็นสมมุติเป็นสมมุตินะอร่อยใช่ไหมอ่าแต่ว่าเริ่ม เริ่มเข้าเริ่มรู้จักสมมุติของคนไทยแนละ้วคือเป็นสมมุติมันเป็นสมมติสัจจะสวยงามสั้นยาวเนี่ยเป็นสมมุติสัจจะเป็นความจริงระดับพื้นผิวแต่ไม่ใช่ความจริงระดับปรมัตา์ปรมัตา์เนี่ยมันไม่มีสั้นไม่มียาวไม่มีสวยไม่สวยนะมันไม่มีแม้กระทั่งตัวเราของเราแต่คนนี้เนี่ย เราก็จะเห็นความจริงขั้นนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านการภาวนาผ่านการคร้ครวญไม่ใช่ด้วยหัวแต่ด้วยการพิจารณาอย่างมีสติสมมุติเนี่ยถ้าเรายึดก็ทำให้ทุกข์ได้เช่นเราคิดว่าเนี่ยอย่างนี้แม่อร่อยพอเรากินเข้าไปเราจะทุกข์เลยใช่ไ อย่างเงี้ยไม่เพราะเสียงอย่างเงี้ยไม่เพราะพอเราเจอเนี่ยเราทุกเลยเช่นเสียงดา่าเสียงด่าเนี่ยเราถือว่ามันไม่ดีพอเราเจอเสียงด่านี่เราเราทุกเลยใช่ไหมสมมติสัจจะเนี่ยถ้าเราไปยึดตั้นถือมั่นมาเราทุกนะแต่ถ้าเราแต่และถ้าเราใช้มาให้เป็นเนี่ยนะมันมีประโยชน์เพราะนั้นเนี่ย ให้เรารู้เท่าทันสมมติสัจจะนะก็คือว่าใช้มันให้เป็นสมุติสัจจะเนี่ยมันเป็นนายที่เลวเป็นเป่าวที่ดีนะเหมือนกับเงินเหมือนกับสมนศักดิ์หรือว่าชื่อเสียงกตยศเนี่ยนะถ้าเราใช้มันให้เป็นเนี่ยสมนศักดิ์ก็มีประโยชน์ แต่ถ้ามันใช้เราเนี่ยเราทุกข์เลยเงินกับการนนะั่งเงินเนี่ยถ้าเราเป็นนายมันนะมีประโยชน์เราเอาเงินนี่ไปช่วยทําประโยชน์มากมายแต่ถ้ามันเป็นนายเรานะเราแย่คนที่ไปฆ่าไปป้นฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อเอามาลงดอง น, นี่ยพวกเนี้ยปล่อยให้เงินเป็นนายใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้จักเป็นนายของเงินเนี่ยก็เป็นก็แบบอนาธปิติการเศรษฐี เอาเงินที่ได้เนี่ยไปช่วยสงฆ์ข้าวคณยากคนจนไปอุปถัมภุธศาสนาสมตสุติตสัจจะเหมือนกันนะมันไปนแค่สมมุติมันเป็นคำนิยามที่ขึ้นอยู่กับยุคสมัยแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้มันขอบคุณค่ะการเงินสการจายคี่มีคา แล้วถามว่าคุณแม่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยมานุ่งขาวขาวแต่ในชั้นสอแม่ว่าเวลาแม่นดนนะให้ใจเขาฟูดแล้วว่าใจเขาโตแล้วหนูอยากถามว่าอาจารย์ยากเต้น้อคะตอนนี้ท่านป่วยอยู่หรือเปล่า<อ>ชวนให้ท่านทำความดีอย่างอื่นด้วย<อ>เช่นการให้ทาน นะเวลาชวนให้ท่านทำบุญทำผู้สนะเป็นต้นหรือว่ า, าถ้าท่านมีความยึดติดอะไรบางอย่างเนี่ยก็ให้ท่านชวนท่านปล่อยวางบ้างนะแต่ที่โยมทำมันเนี่ยดีแล้วพุทโทพุทโทนะแต่ว่าก็อย่าไปเคี่ยวเขียนท่านนะให้ท่านได้ ได้ทำ arts, ตามตามกำลังตามตามฉั <ham it. S 1> นท่าที่มีเปิดโกาสให้ได้ฟังวิทยุบ้างฟังธรรมะบ้างนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเติม no ค่อยๆค่อยๆซึมเข้าไปนะอะไรที่ดีก็ชวนท่านทำนะการให้อภัยนะก็เป็นสิ่งท <grandparents. S 1> ี่ควรทำบางที มีอะไรที่ติดค้างใจที่อยากจะให้อภัยไม่มีอะไรที่ติดค้างใจที่อยากจะขอโทษไหมก็ชวนทํนะพอจะมีประโยชน์ไหม ส่วนตัวนะส่วนตัวเหรอมีแต่ ว, ว่ามันมีแต่ว่ามันมันฉับชวยมากนะซึ่งมีสามครั้งครั้งแรกเนี่ยประมาณปีหนึ่งห้าในหลวงเสร็จมาเปิดตึกใหม่ของรองอสํมชันนะอัตมาตอนนั้นอยู่มสอสองทางเรือนก็ให้จัดทำ ที่เทศกาลประกอบเรียกว่าเต็มทั้งตึกเลยใช่มอาตมา ก, ก็ตอนนั้นชอบวิทยาศาสตร์ก็ทำโครงการเกี่ยวกับแสงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสงเรืยองออปติก ics, นะก็มีเกี่ยวเรื่องการพูดถึงคุณสมบัติของแสงซึ่งมีการทำงานคล้ายคลื่นนะตั้งใจทำนะแล้วพอในหลงเสด็จขึ้นมาเนี่ยมาถึง มาถึงบูธของอาตมาเนี่ยอาตมาพูดไม่ออกภาษาสาัพท์นี่ไม่เป็นเลยอะตื่นเต้นอายุสิบห้าเจอในหลวงตอนนั้นพูดไม่ออกตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นยังเด็กนะยังเด็กนะพูดไม่ออกใช่ไหมอธิการซึ่งเดินตามด้วยก็เลยพูดแทนแต่ว่าพูดแบบดำน้ำํานะ ในหลวงคงจะทราบนะเพราะว่าท่านก็รู้เรื่องเยาศาสตร์อยู่แต่ว่าก็เสียดายนะเพราะว่าเตรียมที่จะพูดนะเตรียมที่จะถวายแต่ว่าพูดไม่ออกเพราะเด็กตอนนั้นสมัยนี้เนี่ยพูดในที่สาธารณะยังพูดไม่เป็นเลยขนะี้อายนะ้นั้นอีกคราวหนึ่งก็ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมนะก็คือว่าตมาได้ทุนภูมิพลตอนที่เข้าธรรมศาสตร์ก็ไปรับทุนจากพระองค์นะปีหนึ่งแปด ก็สั้นมากนะก็จะมีประสบการณ์ใกล้ๆเนี่ยนะสองาครั้งอีกครั้งหนึ่งอายุสิก็ไปก็ไปเฝ้าท่านที่พระพระบรมราชวังก็จะมางานวิสาขบูชาบ้งในหลวงกับพระบรมสาริวงศ์พระราชนีก็ไปที่พัดไปที่วัดพระแก้วอาตมาก็ไปเฝ้าแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างๆไปไปนั่งรอเฝ้าอยู่ข้าง จำได้ว่าตอนที่โกงกราบท่านรู้สึกว่าใกล้ใกล้กลกชิด ก, กับกับเขาเรียกว่าผ้าถุงพราถุงของราชิ น, ชนีเขาเรียกว่าอะไรนะตมาพูดไม่ถั่วฮะเ้าเรียกว่าอะไรฮะพ้าถุงของราชิ น, ชนีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะผ้าปูศาใช่ไนหะเออมันใกล้มากเลยรู้สึกแลวมันใกล้มากเลยคน คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกใกล้มากมันก็จะโดนหัวไปเลยอายุสิบสองก็เป็นความประสบการณ์เล็กๆสั้นๆไม่ไม่มีอะไรที่ประเภทว่าที่จะได้ได้ถวายรายงานพรองนะใกล้สุด ก, ก็คือตอนเนี่ยตอนอายุสิบสี่สิบห้านกันที่พูดแต่ ก, ก็พลาดโอกาสนั้นไปเพราะความตื่นเต้น เรื่องเกี่ยวกับพระราชาของเราทำยังไงให้คนไทยไม่ต้องเศร้าโศกหรือเสียใจคนปฏิบัติตรมอย่างไรเพื่อที่จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้ท่านและให้ประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาใดๆก็ตามรักกันช่วยเหลือกันจะทำยังไงก้น เวลามีความสูญเสียพัดพลาดเนี่ยไม่ว่าในกรณีใดก็ตามนะถ้าเรามม่แต่เงถึงความสูญเสียพัดพลาดเนี่ยเราจะเศร้ามากเลยแต่ถ้าเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่จากไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเป็นกุศลใช่เช่นเช่นเราเล่ถึงน้าปัทไทและความดีของนายหลวงอะ่ะมันจะเกิดความรู้สึกเกิด เกิดความประทับใจเกิดความรู้สึกปิติเกิดความรู้สึกเกิดไฟที่อยากจะทําความดีอยางพระองค์ท่านนะตรงเนี้ยภาวะเช่นนี้พอเกิดขึ้นเนี่ยความเศร้าโศกาาก็จะคลายไปเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อกุศลธรรมกับกุศลธรรมอ่ะคราวนี้ถ้าเราเนี่ยเกิดไฟเกิดแรงบันดาลใจที่จะทําความดีแล้วเราไม่อยู่เฉยเราทําความดีลงมือทำเลยครับ คลรอบข้างในบ้านของเราในชุมชนของเราเก็บขยะนะปลูกต้นไม้นะความเศร้าจะคลายไปเพราะว่าเราได้ทำความดีคนเวลาเศร้าเนี่ยนะพอชวนเข้าไปทำความดีเนี่ยมันจะหายจะปล่อยอให้เขาเจ่าจุกเจ่าจุกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะคิดวนไปวนมาแล้วก็ยิ่งเศร้า นะมมนมีตัวอย่างมากมายคนที่คนที่สูญเสียเพราะความพักพลางเนี่ยแล้วก็อาจจะเจ้าจุกเนี่ยพอชวนเข้าไปทำโน่นทานี่เนี่ยเขาจะดีขึ้นแม้แต่เอาสัตว์มาให้เลี้ยงบางคนนี่เศร้ามากทำอะไรไม่ถูกนะพอมีคนเอาแมวลูกแมวมาให้เลี้ยงเนี่ยนะไม่ชอบนะไม่มีอารมณ์ที่จะเลี้ยงแมวแต่ว่า ต้องจำต้องเลี้ยงเพราะแมวนี่มันตัวเล็กต้องหานมมาให้กินต้องต้องหาที่นอนให้มันพอทำไปทาไปนะเริ่มเพลินความเศร้าจะหายไปนะงั้น อ, อยากต้องชวนทำความดีเริ่มเริ่มเริ่มต้นที่เราก่อนถ้าไม่รู้จะทำที่ไหนก็ไปทำที่สนามหลวงะนะอา่อาอา่าทำที่ชุมชนของเรานะ การที่ทำว่าทำให้คนไทยรักกันเนี่ยคนไทยจะรักกันเนี่ย <_ A> ก็แต่เมื่อเราสํานึกว่าเราเป็นเพื่อนทุกเหมือนกันเราทุกคนเศร้าเหมือนกันเราเป็นกําพร้าเหมือนกันถ้าเรามองว่าเราทุกคน เ, นเป็นกําพร้าเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีจุดร่วมความทุกข์เนี่ยมันสามารถจะดึงจิตเราให้เข้าหากันได้คนเราเวลาเจอความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยใจมันจะลงกันได้ง่ายเช่นตอนที่เกิดสึนี้เนี่ยเกิดสนามิปี47เนี่ย ว่าคนไทยสมัครสมานสมัคม ค, คีกันเลยใช่ไหมไปช่วยซึนามินะความทุกข์เนี่ยประโยชน์มันความเศร้าประโยชน์มันคือว่ามันทําให้เราเนี่ยใกล้ชิด ก, กันมากขึ้นมีความรู้สึกร่วมกันทําให้เราเนี่ยเป็นมกันง่ายขึ้นนะเป็นเพื่อนทุกข์นะยังสำหรกบว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนทุกเป็นกัมพาร์เหมือนกันนะมันทำให้เราเนี่ย อดทนต่อกันมากขึ้นไม่ทำให้ราอใแพร่ภัยต่อกันได้มากขึ้นนะก็ขอรุติคาถามประเด็นเท่า น, นี้นะคะขออนุโมทานาบุญกับทุกท่านนะคะหักต่อไปท่านยานิทนท่านใจที่ประสงค์จะถวายเครื่องพยธรรมนะคะ ที่ได้เตรียมมาก็ขอเชิญได้เลยนะคะ